มณีรัตน์อัญญมณีแห่งไผศลประวัติและธรรมะหลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์กัลปะสีโลภูรพาจารย์พระกรรมฐานสายมหานิกายสาย ทั้งผู้ส่งธรรมพิสุทธิ์เอกอนันต์มณีรัตน์นามว่ากันตัสสีโลปฏิปทาทั้งเมตตาและอาภาณคอยเจือจาน ในไทยสนแม้น้อยคนรู้จักนามสาม 1 ชาติกําเนิดครู เมื่อคราวการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิยุคของบุรพาจารย์พระกรรมฐาน ได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ทัพนายกอง 2431 ถึง 2499 ครูบาจารย์เท่าบาอาจารย์ ลุ่มแม่น้ำสงครามเมื่อปีพุทธศักราช 2431 ที่บ้านสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมต่อมาบิดาได้พา ประมาณ 3 กิโลเมตรดงพะเน่าแต่ก่อนป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปกคลุมไป จากการพบซากๆในโบราณและพระพุทธรูปปางต่างๆสมัยเก่าจํานวนมากโยมบิดาคือหลวงกําจัด ของแต่ละบุคคลจะเลือกคือหลวงกําจัตคนคือ 1 มุ่นชนชนะชัยหรือ 2 นายศรีภัทรรัชกต 3 นายเทนรัชกต 4 ครูบาอาจารย์เฒ่าท่องรัฐ 5 นางอู่แก้ว 6 นางหนูเทียน 7 นางเขียน 8 นางเม็ง 9 นาง แม่ใหญ่จันทิมาบุตรีคนสุดท้องของหมื่นชลชนชัยอายุ 27 ปีสองจากนั้นไม่ 2499 สมัยท่านประนงหนุ่มทองรัตน์เป็นคนร่างใหญ่กำยำห้าวหาญดุดันเด็ดขาดน่าเกรงขาม หนุ่มทองรัฐได้แสดงออกด้วยความห้าวหาญเช่นมีอยู่บทครั้งสุนัขชอบขโมยกินข้าว เป็นคนเดิมจึงนี่มันถึงไม่ได้กินหลายครั้งถึงไม่ได้กินหลายครั้งแต่ได้ 2 3 เดือนยังไม่ญาณนม ลูกควายนั้นก็บ่อิ่มสักทีหนุ่มทองรัฐ ออกจากคอควายแม่หน่านั้นพร้อมกับฟาดลงที่หัวลูกควายนั้นเต็มแรงยังๆจะร้องห้ามลูกควายนั้นได้ ครูบาอาจารย์เฒ่าเพราะใหญ่จานกี่เล่าให้ลูกจังหวัดนครพนมคนสนิทพ่อใหญ่ว่าสมัยเปหนงเช่นฝึกบวชทีม วันนั้นจะเดินมาเตรียมเปรียนเองโดยไม่ต้องให้ไล่ให้นานๆทีถึงจะต้อง เพราะบุญจะพลมาก 2 ชีวิตหนุ่มลูกทุ่งบ่อยครั้งที่มีงาน จะมีสายชอบกินชอบเดิมแต่ไม่เคยมีประวัติชกต่อยกันแต่ 3 ศักดิ์ลูกผู้ชายมีครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์เฒ่ารับว่าครั้งแต่อยู่ได้ไม่นานบวชเป็นสามเณร ท่านได้ไปจีบสาวต่างบ้านท่านได้ไปจีบสาวต่างบ้านสาวนั้นได้เกิดความชอบพอใจขึ้นมาหลายครั้ง ในวิสัยของลูกผู้ชายอย่างหนึ่งทองรัชธรรมถ้าจะบอก การออกบวชแต่ก็ต้องยอมตามคำอ้อนวอนและเหตุผลที่ ได้ล้มหายตายจากไปก่อนแล้วชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านไปคือมุนโจน โยมพ่อท่านก็ได้ 3 อําเภอคืออําเภอศรีสงครามอําเภอบ้านแพง 2459 ในขณะที่อายุ 26 ปีหลังจากบวชแล้วไม่เคยส่งๆเช่นนวโกวาทตลอดจนท่องปฏิโมกได้ได้อยู่ กิจวัตรต่างๆที่พระใหม่ควรจะทําสัทธรรม ยอมตายเพราะอยากลาสิกขาครูบาอาจารย์เฒ่าเคยเล่าให้หลวงพ่อเดชจิตติปาโล จากตามเขาพระอุปัชฌาไปตามป่าตามเขายิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งอยากลาสิกขาเดิน 2 วัน ตื่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตกับชาวบ้านมึงอยากศึกหลายให้มึงอยู่ 6 7 วันไม่ไป จึงค่อยทุเลาลงแต่ยังไม่หายไปลงไปบินทมาศหลายวันโยมคิดว่าตายแล้วใคร ก้อยความเคารพท่านมาแต่ก่อนท่านนครพนมจึงได้ตั้งใจหุ่งตรงไปยัง ได้ติดตามสืบหาจนได้พบท่านหลวงปู่มั่น 3 4 วันและขอ ครูบาอาจารย์เฒ่าของรัฐได้กราบลาหลวงปู่มั่นออกปฏิบัติตามคำแนะนําตามลําพังจึงปฏิบัติท่านอีกว่าเป็น ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกกับหลวงปู่มั่นเพราะไม่เห็นมีท่าน เอาจังเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อท่านได้ยินหลวงปู่มั่นท่านดูเหมือนกับ กลับมีแต่ความเบากายเบาใจเดินไปทางไหนเหมือนกับจะเปี่ยวไปไม่สามารถจะเล่า ก็กราบเรียนท่านว่าข้าน้อยเห็นแล้วจิตสงบมันเป็นอย่างไรฟังถึงอาการต่างๆที่ จะโดยท่านให้พิจารณาขันห้าแนะนําแนวทางปฏิบัติต่อโดยท่านให้พิจารณาขันธ์ 5 ทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นแล้วก็ย่อเข้ามาคือ ก็ได้นำอุบายที่ลุกู่มั่นให้มาพิจารณากลับไปกลับ 3 ก็ปรากฏสภาวะทุกอย่างลงตัวปัญหา ก็ไม่สงสัยอาการของจิตใจในขณะนั้นหนีมาก ด้วยไม่คิดกลัวอาหาญไม่คิดกลัวศัตรูหรือสิ่งต่างๆจะมาทางไหนๆให้เป็นเรื่องหนักใจอีกต่อไปก็ไม่ผิด คือคําสอน ป.ท. การปฏิบัติมันเป็นอย่างไรครับผู้อื่นไม่สามารถบอกผลการปฏิบัติเป็นคําสมาธิปัญญาจึง ซึ่งอารมณ์เล็กๆน้อยๆอย่าข้ามถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ในสมาธิบางทีก็มี ประลองกำลังลูกศิษย์หลวงพ่อกิ๋ธรรมุตตโมวัดป่าสนามชัย พอดีไปพบท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าพรรษาจึงได้กราบท่านอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ แต่ให้มีข้อแม้ว่าบาอาจารย์เฒ่าทองรัฐไปจับพรรษา 3 พรรษาไม่ต้องลงถ้ำนี้หลวงปู่ รูปภูม่านแนะนําดังนั้นท่านจึงได้รับและได้กล่าวตลอด 3 พรรษาได้ 15 ค่ําเดือน 10 พรรษาแรกหลัง ในขณะกำลังนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่นั่นเองได้ยินเสียงดังสนั่นกึกก้อง ไม่รู้มาจากไหนทั้งทั้งที่ก่อนมามาหมดความกลัวแล้วไหนทั้งๆที่ก่อนมากลัวแล้วพุทโธที่เคยบริกรรมหายหมดมีจีวรสะบงได้ เมื่อถึงที่สุดของความยมยักษ์ทั้งหลายทั้งปวงหลายทั้งปวงโน้นเคารพและยำเกรง แล้วเกิดความอัตถานขึ้นในจิตใจความกลัวก็เลือนหายไปในที่สุดเมื่อรู้ความกลัวหายไปไหนคิดให้กลัวก็ไม่ นี่แต่สบายข้างปลาอาหารไม่หิวเป็นอยู่ 7 วัน 7 คืนนอนก็ไม่นอนหลายวันต่อมาโยมขึ้นไปเยือนท่านเพราะ ท่านต่อตอบท่านไม่อยู่ข้าวอยู่น้ําหรือไม่เห็นลงไปบินทบาตนึกว่า ภาวนาอยู่นานจนครบ 3 พรรษาเมื่อต่อไปนี้พรรษาแล้วจึงได้ลงมา และได้มาภาวนาได้มาภาวนาอยู่ถูกใช้นานหลายปีท่านบางบวชนี้คิดเป็นเวลาเพราะปกติธรรมดาก็หาผ้ามาประมุชุดได้บาง ซึ่งในเรื่องพระธรรมวินัยนี้ครูบาอาจารย์เฒ่าท่านละเอียดมาก ถวายผ้าจะขอคนผู้ไม่ใช่ญาติก็ไม่เหมาะเอ้ออยากได้อยาก ก็ได้อนุญาตให้กลับบ้านครูบาทจารย์เท่าทองรัดทุก ş في Hospital สามที่ความ 전망 ๆไม่ใหญ่จันที่มาลูกสาวคนเล็กของพิชายคนโต หรoro goal เมื่อกลับไปตอนเช้าบ้านไม่มีใครจําได้แม้แต่ผู้เป็นว่าคุณตา คุณตาไม่ใช่พระหรือมายืนอยู่หน้าบ้านถามพระอาจารย์พอไปถึงก็นั่งพนมมือ จะเดินเดินบิณฑบาตต่อไปปล่อยให้ผู้ใหญ่ฐะนั่งเป็นลูกเป็นหลานพ่อใหญ่กําจัดซึ่งเป็นพ่อของตน ผู้ใหญ่ฉะได้ซักถามว่าท่านคือใครกันแน่ร้อยวันพัน พี่น้องชายตนเองนั่นเองจึงได้ไปถามสารทุกสุขดีกันอีกใจ ที่ครูบาจารย์วังครูบาจารย์มาคือร้านที่ทําเพื่อกันแดดกุฏิ 2 3 หลังเมื่อครูบาจารย์มาครั้งแรกจึงไป ที่ถามแม่บ้านปั่นและถอกี่เองเป็นผ้าฝ้ายมาถวาย <ๆ. S 2> ซึ่งเป็นปกติของครูบาอาจารย์เฒ่าท่านไม่ชอบการก็จะพยายามบ่ายเบี่ยงถ้าห้ามไม่ได้จริงๆท่านจะบอกว่าสร้างก็สร้างแต่จะ ท่านเป็นชอบสร้างวัดเป็นหลักแรงส่วนเช่นฝั่งเมืองราวบ้านโดงชนบ้านโดงมะเกลือบ้านดง วัดห้วยสีควนอำเภอบ้านคุ้มแก่เขมิลตอนบนบ้านจี่ควนบ้านๆที่ชาวบ้าน นานที่สุดที่สุดหลังก็อาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างครูบาอาจารย์เฒ่ายศจีวรเสร็จแล้วได้ออก จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์องค์นี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักท่านลาวพม่า มีบางครั้งที่เช่นหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ฝางอำเภอปราวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เตื้อวัดอรัญญวิเวกอำเภอจังหวัดนครพนมพระครูญาณโสภิต ญาณมุนีวัดญาณโสภิตวนารามอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่ประเทศคือหลวงปู่มีญาณมุนีด้วยความคุ้นเคยกับ จึงบ่อยๆปกติหลวงปู่ตื้อเวลาท่านออกคฤหบดตามสถานที่ต่างๆท่าน ท่านอาจารย์เตื้อนี่แต่ภาวนาที่ไหนแล้วแต่พรรคกลับมาจะถึงจะพูดอย่างไร 2 องค์ ทราบกันดีบดีแต่ช้างยังเกรงหลวงพ่ออ้วนปะกุโณวัดจันทิยาวาสตำบลหนามมึกเขืออำเภอปราเปาะจังหวัดนครพนมเล่าว่ามี อ่าแม่ใหญ่จันธิมาเล่าว่ามีญาติที่ว่าเป็นพี่คนที่ ไว้จะได้พักพระเนตรที่ทุด 5 ถึง 6 วันในช่วงนั้นเป็นช่วงพอดีนายค้อย 16 เชือก จึงจะไล่จะตีอย่างไรฌานก็องค์ง่วงก่อต้นไม้ไว้อย่างนั้น ได้กลับไปสั่นขันเพื่อขอขมาโทษต่อผีดอนเจ้า ต่างศึกษากันว่าหรือจัดเป็นกลอพระทุรดงองค์นี้โอ้ยช้างของพวกกระผมที่ผ่าน จะตีอย่างไรก็ไม่ไปนายหอยช้างพูดไม่ใช่ช้างพวกโยม มีวิธีใดจะแก้ได้ก็ยิ่งปักใจเชื่อว่า ไม่ใช่มันโกรธมันเหนื่อยหรอกหญิงก็เลี้ยงมาแล้วนายหอยช้างตอบนั่นมันปล่อยแล้วนั่นไปดูสิครูบาอาจารย์บอกเมื่อพวกพวกขา มุ่งหน้าไปเวียงจันทร์ต่อไปพุทธาพันธจิตโตวัดป่าหนองยาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่ออุบัติแยกยนต์ของครูบาจารย์เฒ่าจึงกลับใจเดือน 2 เดือนจึงจะกลับครั้งหนึ่งได้ปล่อยให้เมีย ที่สามีหามาได้เพื่อบำรุงและบริหารการบ้านให้ไปได้ด้วยดีคอย เพราะซากข่าวว่าเมียรักได้ก่นทรัพย์สินที่ ครูบาอาจารย์เฒ่าได้ปรากฏท่านเดินจงกรมอยู่ชายป่าที่พวกค้าๆท่านคงจะเห็น แล้วปรับเครื่องแต่งตัวใหม่จากเสือร้ายกลายเป็นผู้ใฝ่ธรรมโดยนําพระเข้า ชายเหล่านั้นถึงกับอึ้งหน้าเปลี่ยนสีไปเลยเมื่อได้และครูบาอาจารย์เฒ่า มันบ่ได้เป็นการแก้แช่เด้อลูกแต่มันกลับเป็นการเพิ่มพูนบาปกรรมคนถ้าลูกตามเขามาได้ก็จะ ลูกเอ๋ยเพราะว่าเมื่อขณะที่ครูบาอาจารย์เฒ่าได้พูดเตือนเสียแต่อยู่นั้นฝ่ายพ่อค้าได้นั่งก้มหน้าพิจารณาตามกับพูดครูบาอาจารย์เฒ่าครูบาอาจารย์ ทำได้ขนาดนี้เมื่อสงบสติอารมณ์จะได้เอ่ยฝากขอบวชติดตาม ที่ท่านเคยทํามาเคยไม่ชอบให้คนเพราะกลัว 10 อุปสรรคของการภาวนาครูบาอาจารย์เฒ่าเพราะท่าน เช่นครั้งหนึ่งณขณะที่ท่านออกพุทโธอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่ง สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับถ้าไม่ดับขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับถ้าไม่ดับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง ได้อีกครั้งหนึ่งคือบาอาจารย์เฒ่าท่านทุโดงพักปรากฏที่ภู จึงเปรียบเสมือนอาวุธในการฟันฝ่าอุปสรรคน้อยใหญ่ให้ท่านได้เป็นอย่างดีท่านได้ร้องตะโกนขึ้น จนนิมิตนั้นเลือนหายไปใบ 11 การต่อสู้ต่อสู้กามราคะการเป็นอย่างมากพ้น บางครั้งต้องครั้งหนึ่งชีวิตเข้าแล้และนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกงำด้วยความที่ท่าน ด้วยความจุนเฉียวค้ายจะไปฆ่าใครสักคนพอไปถึงขอนไม้ ก็ขวานก็เก่าขึ้นสนิมแปลงก็หมดความกำหนัดจึง และมีความลึกซึ้งในข้อคืออย่าเพื่อแข่งดีแข่งชนะกันในช่วงหนึ่งพูดเพื่อแข่ง ตามภาษาพระอย่างใหม่ในพระธรรมวินัยเมื่อพูดไป จากการพูดเป็นการคุยการพูดเป็นการคุยจากการคุยเป็นการเถ้าแย้งจากการเถ้าแย้งกลายเป็นการและ อย่าทําเหมือนกับอาจารย์นะทำทําให้พระทั้งสองนั้นกับอาจารย์นะมันที่ได้สงบสึกลงบาปทําให้พระทั้งสองนั้นพลี่ยง 13 หอมผู้เฒ่าหลวงปู่กิณนรีจันทิโย กล่าวว่ากล่าวใดคือบาอาจารย์เฒ่าทรงรัฐได้กราบฟังธรรมะหลวงปู่มั่นท่ามบ่อยและมีบางครั้งท่านต้องได้รับคําสั่งให้ตรวจดู แต่ท่ามกลางสงฆ์จึงหลวงปู่มั่นได้มอบหมายงานๆให้ครูบาจารย์เท่าเพราะครูบาจารย์เท่าเองเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครโดยคือ เพราะกระผมเดี๋ยวนี้บาจารย์ประนมมือเช่นตะบู่ผงสักฟอกมันหอมผิดวิสัยที่สมณะ 2 3 รูปเดิน กลิ่นสะบู่หอมๆครูโอ้ยหอมหนุ่มจังโวยหอมหนุ่มจังโวยทํา ได้ฟังสืบทอดจากหลวงพ่อกิเล่าว่าในเรื่องการใช้สบู่ผมสัก 14 พงเข้าตาตาพระคือแปลงสีฟันสะอาดบริสุทธิ์ไม้เตียส่วนมากมีรถขมแป้งสีฟันทําด้วย 8 นิ้วครั้งหนึ่งหลวง ของครูบาอาจารย์ๆด้วยความรอบคอบคือเมื่อฉันพระทหารเสร็จพระเนตรได้อุปถาก ต้องทนทรมานอยู่หนานก็ไม่ออกจนครูบาจารย์ทองรัฐได้มาเจอเข้าเห็นอาการ ได้นั่งกำลัดสติชั่วขนาดไม้เจียนั้นได้ละลายไปด้วยไม่น่าเชื่อ